จะออกเดินทางกันหรือยังพระเจริญถามอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเกษียณอายุมา24ปีแล้วแต่ชาวบ้านยังคงเรียกติดปากว่าผู้ใหญ่พร้อมว่ารอยห่ทันเพลนซะก่อนจะดีกว่าประเดีวจะกลับมาไม่ทันเพลนอดีตผู้ใหญ่บ้านห่วงเรื่องการขบฉันของพระหนุ่ม ไม่เป็นไรอัตมาอดได้อยากไปพบท่านเร็วๆพิกษุวัยเบญนจเพศพูดตามประษา ค, คนใจร้อนแต่ผมเป็นห่วงท่านครับเมื่อกี้ท่านชันน้อยมากถ้าต้องงดพัฒนาเพนอีกผมเกรงว่าท่านจะไปเป็นลมเสียกลางทางซีกิโลไม่ใช่ไกลๆนะครับ ผมใช้เวลาเดินชั่วโมงหนึ่งเต็มๆบุรุษไวย่าง8ปสบห้าบอกพระเจริญจึงต้องยอมด้วยพิจารณาแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเองก็คงไม่อยากไปอดข้าวกลางวันอีกประการหนึ่งเขาก็แก่มากแล้วตอนเขากเกษียณอายุตัวท่านเพิ่งจะได้ขวบเดียวเท่านั้นตกลงอาตมาจะรอฉันเพลงก่อน ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องรีบร้อนกลับมืดค่าหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอัตมาหมายถึงว่าไม่มีโจรผู้ร้ายมาคอยดักจี้หรือปล้นไม่มีหรอกครับพระกลิ่เจ้าพอผมเป็นกำนันที่เข้มแข็งมากพอผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบารมีของพ่อก็ยังคุ้มกันอยู่พวกโจรผู้ร้ายไม่กล้าเข้ามายุ่งยาม ทางเมืองสิงเป็นอย่างไรบ้างครับเขาถามไม่ค่อยดีเท่าไรโยมพ่อต้องย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในตลาดก็เพราะโจรผู้ร้ายชุกจุมปล้นบัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวันเบียดเบียนกันเลือกเกินท่านบนไกลไกลคนเรานี่ก็แปลกนะครับท่านไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง การเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ก็ประเสริฐนักหนาแล้วยังจะมาเบียดเบียนขมเหงกันทำให้ค่าของความเป็นมนุษย์ลดลงไปเท่ากับเดรัจฉานผู้ใหญ่บ้านวัย8ปปรารคนั่นสิบางครั้งมนุษย์ยังแย่กว่าเดรัจฉานเสอีกโดยเฉพาะ พวกที่ถูกโมหะครอบงำโยมเคยเห็นพวกสัตว์มันผลิตอาวุธขึ้นมาฆ่าล้างผลาญกันไหมไม่เคยครับยางกิงมันก็แค่ยกพวกมากัดกันต่อสู้กันตัวไหนแพ้กดเจ็บหรือตายไปแล้วมันก็เลิกกันแต่มนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกลับคิดค้นประดิษฐ์อาวุธ ขึ้นประหัดประหารกันล้มตายคราวละเป็นพันเป็นหมื่นแล้วยังจะเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐบุรุษสูงอายุกล่าวแม้สงครามโลกครั้งที่สองจะผ่านพ้นไปได้เก้าปีแล้วแต่เขายังจำความทุกข์ความเดือดร้อนความสูญเสียที่มนุษย์ได้รับอันเป็นผลพวงมาจากสงคราม ที่สัตว์ประเสริฐมอบให้สัตว์ประเสริฐด้วยกันนั่นเพราะเราเข้าใจผิดต่างหากเลยโยมพระนุ่มแยงเข้าใจผิดยังไงครับเขาถามเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะสิความจริงมันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรครับดูเหมือนว่า บูรุษสูงวัยไม่เข้าใจมากขึ้นเงื่อนไขที่ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการฝึกซึ่งหมายถึงการฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าท่านโตเสรโฐมนุษย์เสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์คนประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นหากจะเปรียบเทียบกับเดรชานมนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงดีกว่าส่วนมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกนั้นเลวกว่าเช่นพวกที่เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามจัดว่าเลวกว่าเดรฉานเพราะเขายังไม่ได้ฝึกพระเจริญอธิบายอย่างนั้นหรือครับแม่ ผมก่อนลงเข้าใจผิดมานานว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่แท้มันต้องมีเงินไข้คุยกับพระคุณเจ้าทำให้ผมได้ความรู้อีกเยอะเขาเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ผนังแล้วพูดว่าอีกตั้งสองชั่วโ ม, มงกว่าจะถึงเพนนิมนพระคุณเจ้าจำวัดเอาแรงสักหนีบเถอะครับ เดินทางมากไกลท่านคงอยากจะพักผ่อนไม่เป็นไรรกโยมอาตมาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายสอนไว้ตั้งแต่อตมาเป็นเด็กว่าคนนอนกลางวันเป็นคนเกียจคร้านเสียการเสียงานโยมยายพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่านอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมด มีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแลลงน้ำใจโยมยายของท่านส้อนเก่งนะครับเก่งมากเชียวละ่ะที่อาตมาเป็นผู้เป็นคนอยู่จนทุกวันนี้ <c oughs> ก็เพราะมีโยมยายค <c oughs> อยอบรมสั่งสอนนี่แหละสมัยเด็กๆอาตมาเกเรมากโยมพ่อโยมแม่ก็เอาไม่อยู่ มีโยมยายคนเดียวที่จะปราบอาตมาได้ผู้ใหญ่บ้านแอบสังเกตว่าพระหนุ่มดูจะมีความสุขเมื่อได้พูดถึงโยมยายของท่านแต่ผมคิดว่าพระคุณเจ้าต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาจึงสามารถพลิกผันหันเหตชีวิตให้มาอยู่ในเส้นทางของความดีงามได้คนเราต้นคดปลายตรง ก็ยังประเสริฐกว่าต้นตรงปลายคตนะครับนั่นสิภาษาพระเขาเรียกว่ามามืดไปสว่างซึ่งดีกว่ามาสว่างไปมืดพระหนุ่มอธิบาย เที่ยงตรงผู้ใหญ่บ้านก็นำภิกษุอาคันตุกะออกเดินทางเพื่อไปยังต้นไซใหญ่กลางทุ่งที่พระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้นี้เป็นประจำทุกปีสมณะกับครือหัดพากันเดินลัดเลาะไปตามคนากระทั่งถึงป่าทึบริมทุ่งต้องเดินผ่านป่าไปทะลุทุ่งอีกด้านหนึ่ง บุรุษวัยแปิบสบอกพระหนุ่มโยมเหนื่อยหรือยังพระหนุ่มถามเมื่อเดินมาได้ประมาณครึ่งทางไม่เหนื่อยครับแต่ถ้าพระคุณเจ้าเหนื่อยจะหยุดพักก่อนก็ได้ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เป็นไรอาตมาเพียงแต่ห่วงโยมเพราะเห็นว่าอายุมากแล้วโยมแข็งแรงดีเหลือเกินท่านชม ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะคนวัยเดียวกับผมก็พากันล่มหายตายจากไปเกือบหมดที่ยังอยู่ก็ไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วบุรุษสูงวัยบอกกล่าวหมุจกจันเรวไร ส่งเสียงร้องดังอึ่งขนึงไปทั่วทั้งป่าพระหนุ่มรู้สึกเพลินใจที่ได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจากกักรจันร้องเพลงได้เพลอหรือเกินอตมาว่าเสียงของมันแปลกดีเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถเรียนแบบได้มันไม่ได้ร้องเพลงหรอกครับพระกุณเจ้าเสียงดีท่านได้ยินนั้นมาจากตัวโพ ซึ่งมันมีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงให้ได้ยินไปไกลจะกระจันตัวเมียทำไม่ได้เพราะไม่มีอวัยวะพิเศษเหมือนตัวผู้ปุรุษสูงวัยอธิบายอย่างนั้นหรอกหรืออาตมาก็นึกว่าเสียงร้องเพลงแปลกดีธรรมชาตินี่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนโยมนะ ครับผมว่าเป็นบุญของจักระจันพวกนี้ที่ปลาอยู่ห่างไกลจากมุ่งบ้านไม่เช่นนั้นพวกเด็กๆ ก, ก็มาซ้อยไปปิ่งกินหมดกินได้ด้วยหรือโยมได้ครับเห็นเขาว่าอร่อยเสีย ด, ด้วยแต่ผมเองไม่เคยกินตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยจับมันไปปิ่ง เพื่อนๆ เ, เขาว่าผมเป็นคนประหลาดพวกเขากินได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแย่กบเอองเคียดเจอเป็นจะไปกินหมดไม่ผมคนเดียวที่ไม่ยอมกินผู้ใหญ่บ้านวัย8ปสเล่าความหลังอตมารู้แล้วว่าทำไมโยมถึงอายุยืนแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้เพราะโยมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสเหตุแห่งการทำให้อายุสั้นว่าเพราะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหตุแห่งความเป็นคนมีโรคมากเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อโ ย, โยโมไม่สร้างเหตุสองประการนี้โยโมจึงอายุยืนและไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคงจะจริงกรับรพระคุณเจ้าเพราะเพื่อนเพื่อนผมส่วนใหญ่จะอายุสั้น ส่วนพวกที่อายุยืนน้อยก็ขี้โรคเจ็บออดอดแอดแอดสามวันดีสี่วันไข่เวนกรรมเนี่ยไม่ต้องรอไปดูชาดนาเลยนะครับชาดนี่ก็เห็นเห็นกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านตั้งข้อสังเกตนั่นสิเมื่อก่อนอาตมาไม่เชือ่อเรื่องอย่างนี้จึงได้ก่อกรรมทำเข้นไว้มากมาย ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันใดผลกรรมจะตามสนองถ้ายังไงก็ขอให้เป็นชาตินี้เถอะเราไปชาติหน้าคงสู้ดอกเบี้ยไม่ไหวบาปบุญก็มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะโยมพระเจริญว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสมณะกับครืหัด ก็พากันมาถึงต้นไซใหญ่กลางทุ่งใต้ต้นไซมีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ดูจากร่างกายสังขารคเนว่าคงจะอายุราวเจ็สปีผมยาวประมาณครึ่งกระเบียดทุกเส้นดำสนิทไม่มีหงอกแม้แต่เส้นเดียวผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แบบนักรบโบราณ สวดทรงสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมภิกษุหนุ่มเข้าไปกราบแล้วพูดว่าลุงพ่อครับผมพระเจริญมากราบน้ำมการลุงพ่อครับภิกษุต้ต้นใสยังคงนั่งหลับตานิ่งอยู่พระหนุ่มจึงพูดอีกว่าลุงพ่ออยู่วัดไหนครับส่วนผมอยู่วัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี อุตส่าห์ดันด้นมาหาหลวงพ่อต้องเดินทางรอนแรมมาหลายวันกว่าจะถึงผมพักอยู่กับโยมที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หลวงพ่อเคยพูดกับเขาเมื่อปีที่แล้วไงครับไม่มีเสียงตอบจากผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์อยู่ใต้ต้นไทรเช่นเคยพระเจริญไม่ละความพยายามถามท่านว่าหลวงพ่อทําไมไม่พูดผมรู้ว่าหลวงพ่อพูดได้ เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อยังพูดกับโยมผู้ใหญ่บ้านเลยเมื่อท่านไม่พูดไม่ยอมลืมตาพระหนุ่มมองหน้าผู้ใหญ่บ้านเป็นเชิงของความเห็นว่าจะทำอย่างไรดีบุรุษวัยแปดสได้แต่สันส่นศีรษะน้อยๆเป็นเชิงว่าไม่มีความเห็นใดๆพระหนุ่มจึงต้องพึ่งตัวเองต่อไปหลวงพ่อครับพูดกับผมบ้างเถิดครับ ผมจะมาขอเรียนวิชา ย, ยืดเหรียญได้ข่าว่าคนมาเรียนที่นี่ได้ไปยืดเหรียญขายเหรียญละหมื่นสองหมื่นดูเหมือนผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์ไม่ยอมรับรู้คำบอกเล่าของภิกษุหนุ่มพระเจริญไม่รู้จะทำประการใดจึงกวาดสายตาสำรวจดูว่าท่านมีเครื่องอัาบริคารอะไรบ้างก็เห็นมีบาดอยู่ใบหนึ่งถูกแขวนไว้ที่กิ่งไทร เช่นเดียวกับกรดมีการน้ำใช้กระบอกไม้ไผ่ต่างแก้วสำหรับรินน้ำมีเพียงเท่านี้เห็นท่านนั่งนิ่งพระหนุ่มจึงคิดหาอุบายที่จะทำให้ท่านพูดหรือว่าสิ่งที่เราถามนั้นไร้สาระจึงไม่ได้รับคำตอบต้องเปลี่ยนเรื่องถามคิดดังนี้จึงพูดใช่ใหม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพ ผมเป็นพระบวชใหม่ความรู้ทางธรรมยังน้อยจึงใคร่จะมากราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะและการปฏิบัติครับคราวนี้ผู้ที่นั่งขัดบัลลังก์ลืมตาแสดงว่าพระหนุ่มถามถูกจุดสติปถอนสีระลึกชาดได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญา แก้ปัญหาดอยท่านพูดโดยมิได้มองหน้าคนฟังผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อได้ปโปรดอธิบายขยายความให้ผมฟังด้วยผมเพิ่งจะบวชได้ห้าพรรษาเท่านั้นโธไดอยนักทำโทรแล้วไม่ใช่หรือได้แล้วครับพระหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิได้มาได้ยังไง ในเมื่อสิ่งที่ฉันพูดมานั้นอยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรีแล้วเธอได้นักธรรมโทมาได้ยังไงท่านถามย้ําผมสอบได้ครับพอได้นักธรรมตรีรุ่งอีกปีก็ได้นักธรรมโทแววภาคภูมิยังปรากฏในน้ําเสียงไม่ใช่นั่นภาควิชาการปฏิบัติการน่ะ สติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสนาสติปฐานกายนอกกายในกายทิพย์อำนาจแห่งจิตเป็นประการใดมีสติรู้ตรงไหนทำได้หรือเปล่าแล้วอย่างนี้ สอบนักธรรมตรีมาได้ยังไงก็ท่องตามหนังสือแล้วก็ไปเขียนตอบนะครับคราวนี้ไม่เหลือความภาคภูมิใจแม้แต่น้อยเพิ่งจะรู้ว่าวิชาการกับปฏิบัติการนั้นต่างกันลิบลับก็เป็นซะอย่างนี้ถึงเอาดีไม่ได้จำไว้คนที่บวชไม่ครบ ไรสิกขาเอาดีไม่ได้ในอนาคตจะมีมากพวกที่บวชเป็นสิบสิ บ, สบพันสาแล้วไม่รู้ว่าศีลสมาธิปัญญาคืออะไรเพราะไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติการไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่หลวงพ่อครับผมจะเรียนสติปัฏฐานสี่ได้ที่ไหน พระหนุ่มถามท่านจะต้องรู้จักสติปัฏฐานสี่ให้จงได้เธอไปหาที่เรียนเอาเองอีกเจ็ดวันข้างหน้าเธอจะได้พบอาจารย์อาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้คำบอกเล่าของหลวงพ่อในป่าทำให้พระหนุ่มครุ้นคิดว่าท่านจะไปหาอาจารย์ที่ไหนหนอ จะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะพบในอีกเจ็ดวันข้างหน้าจังหวัดสิงห์บุรีก็ไม่เห็นมีครูบาอาจารย์เก่งๆสักองค์เดียวที่เก่งๆก็มรณภาพไปเส้นแล้วเหมือนรู้ว่าพระหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อในป่าจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะเราจะให้ปริศนาเธอไปคิดเป็นการบ้าน ปริศนาที่เราจะให้เธอนี้เป็นผลงานของสติปันสีนะไปทำให้ได้แล้วเธอจะพบคำตอบปริศนามีว่าอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียว เดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณอยู่หัวสามตัวอย่าละณอยู่ที่ไหนตามไปเอามาให้ได้แม้จะไม่เข้าใจความหมายในปริศนาหากพระเจริญก็จำได้ทุกตัวอักษรท่านคิดว่าจะต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนสติปทานสี่เพื่อเฉลยปริศนานี้ให้ได้ ระหว่างที่พระหนุ่มสนทนากับหลวงพ่อในป่าโยมผู้ใหญ่บ้านนั่งนิ่งฟังอย่างเดียวเข้าถือคติตาดูหูฟังปากนิ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตเมื่อหลวงพ่อในป่าให้ปริศนาพระหนุ่มแล้วก็นั่งหลับตาดังเดิมดูท่าทางท่านพูดน้อยมากพระเจริญคิดว่ากลางวันท่านคงจะพูดน้อย กลางคืนอาจจะพูดมากกว่านี้ก็ได้จึงคิดจะค้างซื้อที่ในป่ากับท่านบอกผู้ใหญ่บ้านว่าโยมกลับไปก่อนนะอัตมาจะขอพักกับท่านที่นี่สักหนึ่งคืนเพื่อจะได้เรียนธรรมะจากท่านได้ครับและปรุงนี้ผมจะมารับพระคุณเจา้าไปชั้นที่ในหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกอย่าลำบากเลยโยม อาตมากลับเองได้พรุ่งนี้อาตมาจะกลับแต่เช้าหรือถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องห่วงบุรุษวัยแปสี่จึงพูดกับหลวงพ่อดาเป็นครั้งแรกว่าหลวงพ่อครับผมกราบนมัสการลาแล้วครับเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลุกออกมามุ่งหน้าเดินกลับหมู่บ้านพระเจริญพูดกับท่านว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพนี่ก็เย็นมากแล้วคืนนี้ผมขอค้างที่นี่กับหลวงพ่อสักคืนนะครับหลวงพ่อดําลืมตามองหน้าพระหนุ่มแล้วพูดว่ากลับไปค้างในหมู่บ้านก่อนเธอยังไม่สมควรที่จะนอนกับเรารอให้อายุสีสห้าค่อยพบกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอีก พบที่ไหนครับหลวงพ่อผมจะพบหลวงพ่อได้อีกที่ไหนแล้วทำไมต้องรอให้อายุส5ปีซสก่อนอีกตั้งยี่สิปีเชียวนะครับไม่มีคำตอบจากสมณะที่นั่งขัดบัลลังก์อยู่เบื้องหน้าพระเจริญจะพูดอย่างไรท่านก็ไม่ยอมลืมตาเหลียวหลังไปมองผู้ใหญ่บ้านเห็นไปได้ไม่ไกลนักจึงตัดสินใจที่จะกลับไปนอนค้งในหมู่บ้านเอ่ยลาพระในป่าว่า หลวงพ่อครับผมจะเชื่อฟังหลวงพ่อจะกลับไปค้างแรมในหมู่บ้านแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าอีก20ิปีจะพบหลวงพ่อได้อย่างไรคราวนี้หลวงพ่อในป่าลืมตาอีกครั้งท่านเจตนาจะให้ผู้ใหญ่บ้านกลับไปก่อนเพื่อจะบอกเคล็ดลับให้พระหนุ่มเธอไปเรียนสติปัฏฐานสี่กับอาจารย์ของเธอที่จะพบกันในอีกเจ็ วันค้างหน้าเรียนและกบปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถแก้ปริศนาได้พออายุ45หเมื่อต้องการจะพบฉันให้เธอปฏิบัติดังนี้ท่านบอกเคล็ดลับสามข้อและย้ำว่าจะให้บุคคลที่สามล่วงรู้ไม่ได้เป็นอันขาด จากนั้นพระหนุ่มจึงกราบลาท่านเดินทางกลับมายังหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านวัยแปดสเดินมาถึงป่าทึบริมทุ่งก่อนที่จะเดินผ่านป่าเขาเลี้ยวกลับไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าพระหนุ่มยังอยู่กับหลวงพ่อองค์นั้นครั้นเห็นพระเจริญเดินตามมาแต่ไกลจึงหยุดรอ สุดกายลงนั่งบนคณนาด้วยรู้สึกเมื่อยขาเต็มทนท่านไม่อนุญาตให้นอนค้างด้วยหรือครับเขาถามเมื่อพระหนุ่มเดินมาทันถูกแล้วโยมอีกยี่สิบปีจึงจะได้พบท่านถึงตอนนั้นท่านก็คงอายุเก้าสิปีสังขารร่างกายคงเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่า ท่านจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบกว่าปีที่ผมเห็นท่านมาท่านก็รูปร่างอย่างนี้อายุเท่านี้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องแปลกมากและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าท่านก็จะไม่เปลี่ยนไปจากนี้ พระคุณเจ้าคอยสังเกตดูนะครับโยมก็ช่วยอตมาสังเกตด้วยก็แล้วกันเพราะโยมเห็นท่านทุกปีไม่ใช่หรือครับแต่ผมคงจะอยู่ต่อไปไม่ถึงยี่สิบปีกระมังที่อยู่มาถึงป่านนี้ก็เกินหน้าเกินตาเพื่อนโงมามากแล้วบุรุษใบ8ปบสี่ว่า ถ้าเช่นนั้นก็อยู่ต่ออีกส5ห้าปีก็แล้วกันให้ถึง99เท่าโยมยายของอาตมาโยมยายของประคุณเจ้าอายุเกเกปีแล้วหรือครับตอนนี้93สแต่หลวงพ่อเดิมท่านบอกโยมยายจะอยู่ถึงอายุ99อาตมาก็เชื่อท่านเพราะท่านพูดอะไรไม่เคยผิดสักครั้งลวงพ่อเดิมวัดน้องพ่อ จังหวัดนครสวรรค์ช่ยเมฆครับถูกแล้วโยมรู้จักท่านหรือรู้จักดีครับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผมเคยไปกราบท่านหลายครั้งท่านเป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์และอบรมศีลสมาธิปัญญามาอย่างดีจึงมีญาณวิเศษที่สามารถลวงรู้อดีตและอนาคตได้ เหมือนกับหลวงพ่อในป่าองค์นั้นต่างกันตรงทีหลวงพ่อในป่าท่านไม่พูดเจ็ดสิบกว่าปีที่ผมเห็นท่านท่านเคยพูดกับผมครั้งเดียวคือเมื่อปีที่แล้วเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่พูดกับผมอีกพระคุณเจ้ามีบุญว่าาสนามากที่ท่านพูดด้วยผมไม่เคยเห็นท่านพูดกับใครมาก่อนเลยจริงๆนะครับ พระหนุ่มอยากจะบอกยมผู้ใหญ่บ้านว่านอกจากพูดด้วยแล้วท่านยังบอกเคล็ดลับสามข้อเพื่อที่จะพบกับท่านในอีก20ปีข้างหน้าแต่ถ้าบอกก็จะเป็นการละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านจึงต้องเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด